พระธรรมเทศนาแผ่นที่91ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่1กรกฎาคม2559มีชื่อเรื่องว่าตลอดพรรษาให้หาความดีคณะาาาทายาทโยมลูกหลานอยู่ในความสงบ วหลวงพ่อมีอะไรจะพูดให้ฟังสักหน่อยลูกหลานก่อนที่จะให้พรพอบ า, บางท่านบางคนพอมาแล้วก็อาจจะมีโทรภาระจะมาร่วมทําบุญตักปาตอนเช้าแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์รับศีลรับพรแล้วก็จะได้รีบกลับไปทำการงานเพราะวันนี้เป็นวันการงานแล้วก็ พูดที่ไม่มีภาระอะไรก็ให้อยู่ต่อไปอีก่อนก็ได้เนื้อคณะสัายาติโยมลูกหลานเพราะว่าเมื่อพระสงฆ์ฉันจังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วคงจะมีการประพรมน้ำพระพุทธมนต์ถวายจจตุปัจจัยเทยธรรมในช่วงนั้นอีกทีเนึง่งเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ให้พร เ, เป็นด่านแรกวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของบริษัท พวกเราก็รู้แก่ใจวันเนี้ยตั้งแต่โยมเท่าแก่ใจของเราที่ท่านนี้ไปบวชในท่านก็ได้บวชแล้วก็มอบให้ลูกหลานของท่านเป็นทายาทจัดการจัดงานทุกปีเป็นเวลา10กว่าปีมาแล้วนะวันที่1กรกฎาคมปีนี้ก็เป็นวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2559บริษัทสีไทยใหม่จำกัด ได้กำหนดจัดงานพิธีทมบุญประจำปีของบริษัทเพื่อทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายแล้วก็ได้กราบลาธนาพระสงฆ์อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นหลายวัดหลายเจ้าอาวาสที่รเราเคารพนับถือเรื่อมใสและก็พร้อมกันหลวงพ่อเอง ปีนี้อายุ72ปีแนครัสัตยาญาติโโยมลูกหลานอาจจะมาเป็นปีสุดท้ายก็ได้ปีต่อไปหลวงพ่ออจาจจะลามือเห็นไหมพวกเราท่านทั้งหลายแต่ก่อนก็ตั้งแต่หลวงปู่เลี้ยนหลวงปู่จันสมหลวงปู่เพียนหลวงปู่บุญมีมีมากมายเดีนี้ก็ล่นลงมามาถึงหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็คงจะยกธงขาวอีกเหมือนกันอีกไม่กี่วันข้างหน้า เพราะหลวงพ่อไปนักสถานที่ใดหลวงพ่อก็ได้พูดได้กล่าวไปการาบคารวะหลวงปู่ทุย เ, เมื่อก่อนเข้าพรรษาปีที่แล้วหลวงพ่อก็บอกว่าเอ้ยคูบาอาจารย์เนี่อต่อไปนี้กับผมอาจจะไม่ได้มากราบครูบาอาจารย์เนนะืเพราะชีวิตหรือว่าร่างกายของผมเนี่เท่าแก่ไปเรื่อยๆคงจะทนไม่ไหวคงจะสู้ไม่ไหว อ, อ, อย่าไปหาว่ากับผมหัวแข็งนะ ครูบ า, าจานเน่เพราะทําความเฒ่าความแก่คงจะมาหาครูบ า, าจาย์ไม่ได้ท่านเออถ้าท่านไม่มาผมจะไปหาเออจานั้นก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งครับผมอ่ะอ้หลวงพ่อกำลังพวดกับหลวงพอ่อทวยปู่ทุยนะแล้วก็ไปแสดงธรรมที่วัดเขาใหญ่หลวงปู่อุทัยอีกเหมือนกันบอกหลวงพ่อว่าครูบ า, าจานเนยถ้ากิดผมมาครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายอาจจะพระเนยมาอีกเพราะมันไกลเหลือเกินก่อนที่จะมาได้ เออฟัคราวนี้ก็มาก็เหน็ดเหนื่อยพอสมควรอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายมาคราวนี้ถ้าไม่เห็นกับผมมานิมนตลไปแล้วไม่เห็นมาก็ข อ, อ, อครูบาอาจารย์ให้รับรู้รับทรบาบตลอดถึงศรัทธาญาติโยมด้วยปุ๋ยหลวงพ่อเอ็นหัวแข็งไม่ใช่อย่างนั้นนะทางจิตทางใจก็ขารบครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์อยู่อย่างเดิมนั่นแหละแต่ว่าธาตุขันชักจะไม่ไหวเสแล้วนนี้ก็เหมือนกันนั่นแหะ ศรัทธาญาติโยมในเมืองอุดอรก็เหมือนกันถ้าหากว่าไม่เห็นหลวงพ่อมาในงานก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าร่างกายสังขารของหลวงพ่อเนี่ยโรงโรยไปตามอายุสังขารเนื้อขณะศรัทธาญาติโยมแต่ถือยังไงก็ตามเรื่องด้านจิตใจนั้นก็ยังรักเคารพเมตตาลูกหลานทุกคู่ทุกคนอยู่อย่างเดิม ถ้าว่าลูกหลานที่มีกำลังเออเอาเข้าไปกราบไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ยินดีต้อนรับขับสู้ลูกหลานทุกคู่ทุกคนไม่ใช่แต่หลวงพ่อละอพระเนนทุกองคูบาอาจารย์ทุกองนั่นแหละที่นั่งอยู่แถวๆนี้นะ่ะานลูกหลานมีเวลาเข้าไปกราบไปไหว้ท่านเพราะท่านจะให้ท่านมาออกมาสู่ชุมชนสังคม เ, เหมือนตะก่อนตะเก่าหน่งไม่ไหวจะแล้วเพราะว่า เออมันขี่งอภาษาบ้านวนะ่าโอ้ขี่งอไปเนี้ย น, นะะเออว่าขัขี่งอน่ยใครขับมันท้อแท้เออมันท้อแท้อ่อนใจที่จะเดินทางนะ่ะเออมันคิดโอ้ทําไมไกลเหลือเกินเนี่ยแต่ก่อนมันไม่ได้คิดอย่างนี้นะ่ะแต่เดี๋ยวนี้มันคิดแล้วพเพราะอะไรเพราะว่าทางร่างกายด้วยทั้งความเหน็ดเหนื่อยด้วยกลับไปแล้วโอ้กว่านที่จะฟื้นตัวได้เหนื่อยพอสมควร แต่ถึงทางด้านจิตใจนั้นยังรักเมตตาลูกหลานคณสาสตาญาติโยมเหมือนเดิมเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเนะในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลจะเข้าพรรษาวันที่ 18-19 กนี้ก็เข้าพรรษาแล้วพวกเราให้ปรับปรุงกายใจของพวกเราในพรรษานี้พวกเราจะดำเนินอย่างไรข้าพ เ, เจ้าจะประกอบคุณงามความดีอย่างไรอย่างเท่าแก่ใหญ่ของเราเท่าแก่กกหง คุณธนันชัยของเราเนี่ยนะท่านก็ไปบวชอยู่ถ้าสหายครบรอบปีหนึ่งพอดีแล้วนั้นเนี่ยจะเข้าเป็นปีที่สองแล้วผมพ่อว่าท่านคิดถูกนะพ่อบั้นปลายชีวิตของท่านท่านควรจะดำเนินพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันไม่ใช่จะมัวเมาอยู่ในการเป็นอยู่ตลอดไปแล้าการไปอยู่ของท่านท่านก็เป็นอาเซียตะก่อนโทรศัพท์แต่ละวีแต่ละวันไม่เคยขาด แต่บัดนี้ท่านก็เสียสละออกไปบวชไปอยู่ในป่ารงพงไผ่ไปอยู่ในถ้ำสายนี่อันนี้ก็คือเป็นการเสียสละของท่านมีอายุขึ้นมาแล้วท่านก็ออกไปบวชอันนี้เป็นประเพณีของพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าในชาดกพวกเราก็คงได้อ่านได้ศึกษาพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่พระเจ้าจากักรพรรดิเมื่อเมื่อเห็นผมหงอกเส้นหนึ่ง ออพอเห็นผมหงอกเออเรานี่อายุผมงอกแล้วนะคนสมัยนั้นท่านวาอายุยืนถึงแสนปีนะ อ, อท่านก็คลองราชมานมนานแต่นี้ท่านก็เห็นผมงอกในภูษามาลาคือนายช่างกันบกในภูษามาลามาถอนผมพอเห็นผมงอกท่านก็ท่านเกิดเกิดความสลดสังเวชใจว่าร่างกายสังขารเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนบัดนี้ความแก่ชราเข้ามาหาเราแล้ว ต่อไปก็คงจะแก่และเจ็บตายในที่สุดเพราะนั้นพวกเราเองไม่ควรประมาทจากนั้นพระโพธิสัตว์ท่านก็เลยหนีออกไปบวชเป็นลือศีศรีไพรอยู่ในป่าบำเพ็ญพจน์บำเ พ, พ็ญศีลสมาธิปัญญาจากนั้นก็ท่านก็ได้ขึ้นสู่พรมไปสู่พรหมนะนี่ก็เหมือนกันนะ่แหละหลงตาทานานชัยของเราลนะูกเท่าแก่ของเรานะเนี่ยเมื่ออายุท่านมากแล้วนะท่านก็หนีเข้าไปบวช เป็นพระในพระพุทธศาสนาเพราท่านเคารพครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่ต่า ง, างๆรู้จักเท่าแก่กกขุงเกือบทางนั้นแหละพวกเราเนี่ยเป็นรุ่นเป็นลูนลูกรุ่นหลานของท่านแล้วนะถ้าจะว่าอย่างลบคพ่อเนี่ยเป็นรุ่นน้องๆของท่านนะไม่ถึงกับหลานน้องๆฮนะแต่พระเนรลูกหลานต้องทั้งน้อ ง, อ ง, อ ง, องทั้งหลานหลานของท่านนี่แหละอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู ดำลงคงชีพแต่ถึงยังไงลูกหลานทุกคนนะในพรรษาที่จะถึงนี้นะ่ะเราจะประกอบคุณงามความดีอะไรเข้าไปเจ้าจะไหว้พระทุกวันไม่ให้ขาดเนะี่ยได้ไหมเพราะพวกเราเป็นพุทธศาส น, นิกนชนพุทธบริษัทนะพวกเราจะกราบไหว้พระทุกวันไม่ได้ขาดทําวัดเจ น, ท ำ, เนทำวัดเช้าทุกวันถึงจะได้มากได้น้อยแล้วไม่ไม่ว่ากันได้แต่อรหังสวากาโตสุปฏิปโนโนโมตระเท่านี้ก็พอ ถ้าได้มากกว่า น, นั้นก็พูดทางธรรมบางสังขังได้มากกว่า น, นั้นอิติปิโสพะวาอรหังสัมมาแต่ก็อย่าลืมแผ่เมตตาด้วยนะคำว่าแผ่เมตตาคํานี้น่ะไม่ใช่ว่าอหังสุกิโตโหมินิโตโขมิเราจะพูดเป็นภาษาบาลีก็ได้แต่เป็นภาษาใจจะดีกว่าภาษาใจนั้นหลวงปูล่ลาท่านสอนหลวงพ่อในสมัยเป็นเนนท่านอยู่ในป่าดงพงไพ่ท่านบอกว่าตั้งจิตแน่วแน่ให้เน่งเน่งแล้วก็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 การอยู่ด้วยกันเราไปเบียดเบียนเขาเขามาเบียดเบียนเรามันจะหาความสุขไม่ได้ถ้าคนมีถ้าคนมีเมตตาแล้วอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไปในสถานที่ใดก็ไม่มีเวรมีภัยเพราะเรามีมีเมตตาในใจนะเพราะนั้นขอให้พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนนะนี่แหละก่อนหลับนอนก็ไหวพระแล้วก็แผ่เมตตา เือตื่นนอนขึ้นมาก่อนจะมาทําการทํางานกับไหวพระทำวัดเช้าแล้วก็แผ่เมตตาซัก่อนยังมาทําการทํางานถ้ามากกว่านั้นก็เออข้าพเจ้าควรจะสํารวมกายวายจาของข้าพเจ้าควรจะมีศีลห้าในพรรษาเนี่ถ้าผู้สูงอายุควรจะมีศีลห้าตลอดไตรมาสสเดือนได้ไหมถ้าผู้น้อยหนุ่มก็ศีลห้าทุกวันอาทิตย์วันหยุดของเราก็รักษาศีลห้าซะแล้วก็เรื่อวันพระเรารักษาศีลห้านี้ได้ไหม เรื่องงดเว้นการพนันได้ไหมงดกินเหล้าได้ไหมในสมเดือนเนี่ยตามไม่จริงน่าจะงดนะกินเหล้านะแล้วก็ท่ามากกว่านั้นกับบุหรีลดงดได้ไหมเพราะเป็นบุหรีเป็นอันตรายต่อสุขภาพเอ่อก็ไม่มีประโยชน์อะไรกังดได้ไหมแต่เรื่องสุรานี่นะในสมัยเมื่อหลวงตาจุติเนธพานลูงตาของเราจุติเนธพานนะ หลวงพ่อไปฉันอยู่ที่ร้านอาหารในเมืองอุดอรของเรานี่แหละเออร้านอาหารบอกว่าหลวงพ่ อ, อ, อในขณะที่หลวงตามันจุตินิรพานไปยังไม่ได้พระราชทานเพลิงสดิระสังขารของหลวงตาเอ่อศพของหลวงตายัางอยู่ที่วัดปา่าบ้านตาดร้านโัวลาเนี่ยขายเหล้าไม่ออกเลยนะเมืองอุดอรนะไม่มีใครซื้อเหล้ากินเลยหนะลวงพ่อได้ยินเพียงแค่นะั้นลงพ่อโอ ภูมิใจกับลูกหลานชาวเมืองอุอออรานคล้ายๆว่าให้ความพรักเคารพในปู่หลวงปู่ของเราหลวงตาของเราเป็นต้นตระกูลต้นประกอบคุณงามความดีต้นที่ท่านหาทองคําเข้าคลังหลวงคุณงามความดีของหลวงตาท่วมท้นอยู่ในจิตใจของลูกหลานพี่น้องชาวอุดรานขนาดศพ ส, สัลีและสังขารยังไม่ได้พระราชทานพี่น้องทั้งหลายไม่ดื่มสุรา ขายสุรามไม่ออกเลยหลวงพ่อได้ยินเพียงแค่นั้นหลวงพ่อก็เออดีนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนะพวกเราเป็นลูกหลานของอุทองหลวงตามหาบวัวท่านมิตรสอนให้พวกเราประกอบคุณงามความดีสั่งสอนแต่ให้สร้างบุญสร้างกุศลเอพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆูกทันเน้อในพรรษาในอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว อ, อ, อย่างน้อยก็ยึดภัตไตรสารนคมเป็นที่พึ่งไหวพระสวดมนต์อย่าได้ขาดตอนเช้าตอนเย็น จากนั้นก็ควรจะมีศีลห้าหรืออย่างที่หลวงพ่อได้พูดถ้ามากกว่านั้นดีกว่านั้นก็เวลาพระสงฆ์บิณฑบาตผ่านหน้าบ้านของเราเราควรจะทําบุญทุกวันพระได้ไหมทุกวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ได้ไหมตักบาตรพระสงฆ์นะอย่างน้อยกับพวกเราเป็นพุทธศาสนินกชนส่งเสริมในการทําบุญตักบาตรแต่บางคนโอยพระทุกวันได้ไม่น่านับถือเลื่มใสถ้าพูดอย่างนั้นก็ได้แต่พระดีละ่ะ ถ้าว่าเราไม่ทมําบุญผ้าดีก็อดไปด้วยตายไปด้วยพวกศาสนาอยู่อยู่ได้อย่างไรหมดไปเพราะเราพวกเราไม่ให้การสนับสนุนอย่างน้อยให้เราเห็นแก่ผ้ากาสาวพัดผ้าที่พระทองอยู่นั่นนะคือผ้ากาสาวพัดคือธงชัยของพระอารหันต์เป็นผ้าของพระพุทธเจา้าเพราะนั้นพวกเราให้ระลึกถึงเวลาจะใส่บาตรให้ระลึกถึงพระพุท ธ, ธาจาเจ้ายังค่อยใส่บาตรให้น้อมระลึกถึงพระพุทธเจา้า แต่เมื่อเรารู้แล้วองค์นี้พระองค์นี้ปฏิบัติตนไม่ดีเออเลยต่อไปเราจะไปใส่องค์นั้นะ่ะเ mm. พราะเหไรเพราะว่าท่านทำตนไม่ดีเป็นพระอารัชีไม่มีฮิริโอ ต, ตปะในหลักพระธรรมวินยัยถ้าเราไปส่งเสริมก็เหมือนส่งเสริมโจร500ท้อนวัฒนเนะทำให้พุทธศาสนากดด่วนเข้าไปเรื่อยๆเพราะเหรเพราะเราส่งเสริมพระที่ไม่ดีเนะ่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ถ้าเราไม่รูนะ้เราก็ต้องใส่ไปก่อน ทำบุญไปเพื่อบูชาธงชัยพระอรหันต์ธงชัยของพระพุทธเจ้าภาคาสาวประพัดต่อไปภายภาคหน้าพุทธศาสนาถึงห้าพันกว่าปีไปแล้วนเน่ยผ้าน้อยๆห้อยหูเขาก็ยังถือว่าเป็นพระเพราะเหตุหอะไรผ้าเหลืองเหลืองะผ้าน้อยๆห้อยหูนเน่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังผ้าพื้นใหญ่ตุม่มโยมตํายามอยู่ก็ยังว่าถือว่าเป็นธงชัยอันใหญ่หลวงอยู่เหมือนกันนะขนาดผ้าน้อยๆห้อยหูเขายังถือว่า เป็นส่งชัยของพระพุทธศาสนาทําบุญก็ยังได้บุญอยู่ท่านว่ายอย่างนั้นนะอันนี้พื้นฐานพูดมาในพระไตรปิฎกนะคณ ะ, ะสาญญาัายาดยมลูกหลานเอาต่อนนี้ไปพระสงฆ์จ่าอนุโมทนาให้พร ล, ละพรเนตรนิเนาอุทิศส่วนกุศลเน่าอุทิศส่วนกุศลอย่างที่ได้พูดได้เว่าใน เอ่ใบนิมนต์คูบาอาจารย์เนี่ยเวลาพระสงฆ์อนุโมธนาใหา้พ่อเห็นเท่า<ม>น้อมลำดึกเออปู่ยาตาย่าย้วงสาขณะหยาดหญาดมิดทารายเ อ, อ่ยท่าว่าตกทุกข์แต่ยากอยู่ ข, ข, ขอข อ, ขอให้ผลจากทุกถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอข อ, ขอให้มีความสุขยิออ่งยิ่งขึ้นไปเนอในการทําบุญทําท่านในข้าวนี่ข้างนี้ให้พวกดูกหลานทั้งหลาย อ, อุทิศส่วนกุศลนะเนอะใจอุทิศส่วนกุศลทึงใจใจเป็นของละเอียด ฟินย่านกับฟินของละเอียดเื่กันละเอียดก็ส่งถึงกันได้นะ